ท่านฟังค่ะวันนี้เราก็ได้ความกระจ่างจากคำถามของท่านฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็มาเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นด้วยผ่านไปใครมีข้อสงสัยอะไร mm hmm. เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะท่านก็ส่งมาจะเป็นทางโทรศัพท์022690006ทาง SMS 4838106หรือว่าเบอร์แฟกซ์นะคะ02 262 3010คําคำถามของท่านจะได้รับการนําออกมาอ่านออกอากาศแล้วก็กลับเรียนถามพระคุณเจ้าเพื่อที่จะตอบให้ด้วยค่ะในวันนี้เรามีคุณนิธิวดีตันทิกุล ค, ควบคุมเสียงเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องคู่สามีพรรัญญาถ้าอยากเจอกันชาติหน้าต้องทำอย่างไรตามธรรมวันนี้ก็มีเพิ่มเติมนะคะว่าพัญญาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากผู้ใจดีต่อกันก็เป็นคุณสมบัติของการที่จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เลยนะคะว่ามีความพาสุขทั้งสองฝ่ายมีสีมเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันก็ขอให ทุกท่านได้น้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินชีวิตในส่วนของตนในส่วนของสังคมแล้วก็ในการที่จะได้พบกับความสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจํานะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าววิทยุ f m ฟเอและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเราก็จะมีพระอาจารย์ไพบู์อภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกเลยนะคะที่มาสนทนาธรรมในช่วงกลางของรายการเป็นการที่หยิบยกเอาพุทธว จ, จนะธรรมวินัยจากพุทธโอษคือคําสอนของพระพุทธองค์จากพระโอษเนี่ย น, นะคะมาตอบคําถามที่เป็นข้อสงสัยแล้วก็มีการตั้งเอาขึ้นมาทั้งทางโลกทางธรรมพุทธว จ, จนะตอบได้ทั้งหมด ส่วนก่อนหน้านั้นเปิดรายการมาให้สมกับเป็นรายการที่อยากจะให้ท่านได้ประโยชน์จริงๆ จ, จ, จากพระพุทธศาสนาก็จึงให้มีส่วนของการปฏิบัติด้วยปฏิบัติกันทางวิทยุเลยนะคะภายใต้การนาของพระมาร์คชาคาวโรซึ่งพระอาจารย์คริต์โสธิพโลนะคะก็ได้มอบหมายให้มาทำหน้าที่นี้ท่านก็จะอ่านพระสูตรด้วยให้เราได้เข้าถึงคาของพระพุทธองค์อย่างเต็มเต็ม แล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันด้วยอย่าลืมติดตามรับฟังกันละกันค่ะสอาทิต์นี้หยุดพักไปท่านฝึกปฏิบัติไปใช้เวลาเงียบๆปฏิบัติกันต่อแล้วเดี๋ยววันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าเราก็มาพบกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ